คำอนุโมทนาในเมืองไทยปัจจุบันการศึกษาปริยติธรรมฝ่ายนักธรรมบาลีและพระอภิธรรมมีความแพร่หลายมากกว่าก่อนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากสนใจใฝ่รู้พุทธธรรมด้วยเห็นว่าเป็นคำสอนแนะนำวิธีพ้นทุกข์ในชีวิตโดยคลายความยึดมั่นในตัวตน สันโดดกับสิ่งที่มีอยู่และสามารถหาได้โดยสุจริตนอกจากนี้การปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มข้าราชการพ่อค้าและประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าไปอบรมหลักสูตรวิปัสนาภาวนาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นนิมิต ท, ที่ดีของการเจริญรุ่งเรืองแห่งพระศาสนาในฝ่ายปฏิบัติหลักการเจริญวิปัสสนามีหลายประการเช่นสติปัฏฐานสัสมสมปทานสอิทธิบาทสเป็นต้นดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระสูตร ต, ต่างๆนอกจากนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ว่าด้วยเหตุผล ของวัตตาสงสารก็เป็นหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งเพราะผู้ที่สามารถตัดวงจรแห่งวัตตาสงสารได้จึงจะหลุดพ้นจากวัตตาสงสารอย่างแท้จริงโดยเหตุที่ข้าพเจ้าเห็นว่านังสือที่อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพระอภิธรรม และการปฏิบัติโดยตรงตามคำสอนในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งคำอธิบายในคำมพียอธกถาและดีกายังมีไม่มากในเมืองไทยดังนั้นจึงมอบหมายให้พระคันธสาราพิวงศ์พระมหาสมลักษ์คันทสารโรแห่งวัดทามะโอจังหวัดลำปางดำเนินการแปลปฏิจจสมุกบาท ที่อธิบายโดยพระโสพพลมหาเถระมหาศรีสยาดออดีตเจ้าอาวาสวัดมหาศีจังหวัดย่างกุ้งประเทศเมียนมาทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างท่องแท้ตรงตามพุทธาธิบายและเป็นหลักสูตรเรียนของนิสิตปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสนาภาวนาณมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนครปฐมข้าพเจ้าได้อ่านตรวจทานแก้ไขสำนวนแปลเป็นตอนๆไปตั้งแต่ต้นจนจบเห็นว่าท่านผู้แปลได้ดำเนินการแปล และเรียบเรียงอย่างสละสลวยกระจางชาัดเจนทั้งมีหลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฎกอัตถกถาและดีกาครบถ้วนบริบูรณ์จึงขออนุโมทนากุศ ล, ลจิตของพระคันธสาราพิวงศ์ผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้และหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ตามสมควรพระพลมโมลี คำนาผู้แปลมหาสมุรเป็นบ่อเกิดรัตนะอันทรงค่ามากมายแม้นํามาแจกจายแกมวลชนก็ไม่อาจหมดสิ้นไปได้พระพุทธศาสนาก็เช่นกันเป็นบ่อเกิดของหลักธรรมอันทรงคุณค่าจำนวนมหาศาลแม้จะนํามาอธิบายแจกแจงหลายร้อยครั้งก็ไม่อาจจะกล่าวให้หมดสิ้นได้ในหลักธรรมเหล่านั้น มีธรรมที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเหตุผลที่ทำให้วัตตสงสารดำเนินไปเหมือนกงล้อที่หมุนวนอยู่เสมอผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้ดีย่อมจะตัดวงจรแห่งภพชาติได้ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าใจจะต้องเวียนตายเวียนเกิดพบแล้วพบเล่าอย่างไม่รู้จบ พระพุทธองค์ทรงตระนักถึงความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทซึ่งทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้หลายแง่มุมในพระสูตรหลายร้อยสูตรในลักษณะที่กองทุกเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาและกองทุกดับไปเพราะอาวิชชาดับเป็นต้นอีกทั้งยังทรงสรรเสริญผู้ที่สามารถเข้าใจเรื่องดังกล่าวไว้หลายประการเช่น เป็นผู้ประสจากความเห็นผิดว่ามีอัตตาผู้ทากรรมหรือเสวยผลกรรมเป็นต้นเป็นผู้เรียบพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นสมณะแท้ผู้ระ ง, งับกิเลสเป็นพรามแท้ผู้ลอยบาปได้รับสมมุติว่าเป็นสมณะแท้ในหมู่สมณะได้รับสมมติว่าเป็นพรามแท้ในหมู่พราม สามารถขจัดความสงสัยเกี่ยวกับขันในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะเข้าใจว่ามีเพียงเหตุและผลที่เกิดจากเหตุไม่มีอัตตาตัวตนที่เป็นผู้ทากรรมหรือเสวยผลกรรมอนหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุ ป, ปัจจยะปริคหายานยานกำหนดปัจจัยของรูปนาม ย่อมจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยย่อหรือโดยพิสดารตามสมควรเพราะเป็นเรื่องเหตุผลแห่งกระแส ร, รูปนามที่เป็นปัจจัยของการและการตามสมควรแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งเข้าใจยากผู้ที่มีได้ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมทั้งไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง อาจเข้าใจเรื่องนี้ได้เพียงผิวเผินเหมือนประชาชนทั่วไปอ่านตำรากฎหมายแล้วมักตีความตามความคิดของตนไม่สามารถตีความอย่างลึกซึ้งเหมือนนักกฎหมายด้วยเหตุดังกล่าวท่านอาจารย์มหาศีสยาดอพระโสมพนมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาศีจังหวัดย่างกุ้งประเทศเมียนมา จึงแสดงธรรมปฏิจจสมุปบาทแกบันพชิตและขลือหัดนธรรมสาลาวัดมหาสีตั้งแต่วันแรม8ดข้ามเดือนเจพุทธศักราช2505เป็นเวลา11เดือนโดยเทียบเคียงคำอธิบายในพระไตรปิฎกกับคำพีอัตถกถาและดีกาอย่างละเอียด ท่านอาจารย์มหาสีมอบหมายให้สิ์ถอดเทปธรรมบรรยายแล้วพิมพ์ดีดเป็นต้นฉบับไว้หลังจากนั้นก็ขัดกล่าวให้กระชับอ่านง่ายในสมัยนั้นทางรัฐบาลพมา่ามอบทหารสองนายเพื่อรับใช้กิจส่วนตัวและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาผู้เชี่ยวชาญในภาษาบาลีสองคนเป็นผู้ช่วยเหลือในงานประพันธ์ตำราของท่าน หนึ่งในเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาชื่อว่าในอองมะยินเคยพำนักอยู่ที่ประเทศสีลังกาและพูดภาษาบาลีได้เป็นอย่างดีได้พบปะพูดคุยกับผู้แปลเมื่อครั้งไปบวชพระและปฏิบัติธรรมที่สำนักมหาศีนังสือของท่านอาจารย์มากกว่าเจ็ดสิบเล่มผ่านการขัดเกลาเป็นอย่างดีแล้วจึงจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป และมีจำนวนมากได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยชาวพม่าผู้เชี่ยวชาญภาษาท่านอาจารย์ได้ขัดกล่าวสำนวนภาษาจากธรรมบัญญายเป็นตอนตอนไปแล้วนำลงตีพิมพ์ในวารสารพม่าชื่อพุทธะธรรมะโลกะปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อจบทุกตอนแล้ว จึงจัดพิมพ์เป็นหนังสือปฏิจจสมุปบาทฉบับแปลนี้ใช้ต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่สของสมาคมพุทธศาสนานุกเคราะห์พุทธศักราช 2,529 ตั้งแต่ผู้แปลได้มอบหมายให้คุณอุดมพรสิระสุทธิแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งแปลมาจากภาษาพม่าอีกทอดหนึ่งแล้ว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 อัิคถาและดีกาเพื่อประโยชน์แก่การสืบค้นโดยละเอียดแก่ผู้ที่สนใจในเชิงวิชาการหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านตามสมควรหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิเช่น 1. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 2. นำเรื่องที่พบในพระสูตรและอัตถกถามาแสดงไว้เป็นตัวอย่าง 3. การอ่านเปรียบเทียบที่ทำให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4. อธิบายความตามเนื้อหาในอัตถกถาและดีกา 5. เทียบเคียงกับประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างแท้จริง 6. อธิบายได้ชัดเจนด้วยความเข้าใจจากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงอธิบายตามคำภีอย่างผิวเผินข้าพเจ้าได้แปลหนังสือเล่มนี้ตามคำอารัธนาของพระเดชพระคุณพระพรมโมลีสมศักดิ์อุปสมโภเปียนธรรมเก้าทั้งนี้เพื่อเผยแพร่คำสอนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทตามคำอธิบายในพระสูตรและพระอภิธรรมพร้อมทั้งเทียบเคียงกับการปฏิบัติวิปัสนาภาวนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวพุทธเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการสืบทรงพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะไปตราบนานเท่านานและประเดจพระคุณยังเมตตาช่วยรับตรวจชำระอีกด้วย ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ช่วยผู้ดำเนินการแปลในครั้งนี้คือคุณอุดมพรศิระสุทธิผู้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุษย์ศีธนาอนันต์ผู้ช่วยขัดกล่าวคำแปลในหนังสือให้สละสลวยคุณเนาวนุษย์ไตรนรพงศ์และคุณสินีรัตน์ศรีประทุม ผู้ช่วยตรวจต้นฉบับแก้คำผิดนอกจากนั้นข้าพเจ้าขออนุโมทนากุศลจิตคุณสิทธิโชคก้อนนาคเจ้าของภาพลายเส้นที่อนุเคราะห์ให้นำมาลงในหนังสือเล่มนี้คุณจรินทร์พอลาจริะกุลและคุณสิรินสังโขบนผู้ช่วยออกแบบปกอย่างสวยงาม การบริจาคร่วมสร้างหนังสือธรรมะมีอานิสง์มากทั้งนี้เพราะหนังสือธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าผู้สามารถเทศและสั่งสอนเวนัยชนได้จัดว่าเป็นการดำรงรักษาพระาศาสนาและจุดประกายแห่งปรัชญาแก่ปวงชนเหมือนการจุดประทีปในที่มืดและบอกทางแก่คนหลงทางเพื่อประโยชน์แก่มวลชนชั่วกาลนาน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 และแนวปฏิบัติเพื่อบรุพระนิพพานขออนุโมทนากุศลจิตของท่านเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดทำต้นฉบับคือพันเอกนบอนุสิทธิ์พรห ม, มาตสิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ชวนชื่นชีวาการพร้อมทั้งท่านเจ้าภาพอื่นที่ร่วมจัดพิมพ์ขอให้ทุกท่าน ที่ได้บำเพ็ญบุญร่วมกันในครั้งนี้จงมีความสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งปวงและบรลลุสานติสุขอันเป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธทั้งมวลโดยพรันเทินพระคันทสาราพิวงวัดทามะโอจังหวัดลำปางพจนารมณ์หนึ่งถึงสอง ผลมีสังขารเป็นต้นอาศัยแล้วย่อมเกิดขึ้นพร้อมเพียงกันจากเหตุดตามสมควรเหตุนั้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาททำมีอวิชชาเป็นต้นเหล่าใดาเป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะเป็นต้นทมเหล่านั้นได้ชื่อดังกล่าวว่าพระโลกนาถผู้ทรงรทมความเป็นดิรกแห่งไตรโลก ได้ตรัสแล้วสามปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมลุ่มลึกและปรากฏว่าเป็นธรรมลุ่มลึกผู้ที่มีปัญญาสามอย่างลงได้ยากยังไม่ได้ที่อาศัยเหมือนกระต่ายขาสั้นย่างลงมหาสมุทรได้ยากยังไม่ได้ที่เหยียบยัน 4. สีพระมหาศีเทระได้อธิบายปฏิจจสมุปบาทนั้น โดยนำแก่นสารจากพระสูตรและพระอภิธรรมพร้อมทั้งเทียบเคียงกับการปฏิบัติห้าปฏิจจสมุปบาทนั้นรจนาไว้โดยคล้อยตามพระบาลีอัตถกถาและดีกาตรงประเด็นชัดเจนและสามารถแสดงวิธีปฏิบัติอันดีงามได้หกพระเถระผู้ปรากฏสมณว่า